นันแล้วก็ปรากรว่าก็ทําเป็นทีมเลยแทบจะเป็นหมู่บ้านเลยอะ่ะมันคงไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่อะไรนะกันนะแต่ว่าทํากันทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่เลยเวลานั้นก็อะไรอ่ะขึ้นรถไปเลยนะ <c oughs> ขึ้นรถไปเลยไปไปหมู่บ้านอื่นไงแล้วก็ไปลงแล้วก็ไปอะไรอ่ะชวนเชิญทําทบุญ แล้วก็บินทบาตอะไรต่ออะไรโอ้วันนี้ถ้าคุณเจอพวกเนี้แล้วคุณก็ทำบุญบางทีเราก็ศรัทธาใช่ไหมศรัทธาในศาสนาแต่เนี่ยเราไม่รู้ข่าวข่าวแล้วเราก็ไม่ไม่ระแวงไม่อะไรเลยลเราก็เชื่อว่าอานุ่งเหลื้งห่มเหลื้งมาเราก็ว่าเป็นพระเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทาไปแล้วเราก็ได้บุญเพราะอย่างนี้เราทำไปเราก็โดนหลอก โดนหลอกนะไอ้ที่เราทําไปแล้วก็เท่ากับว่าทําให้โจรที่ใช้ผ้าเหลืองเนี่ยอยู่ในคราบผ้าเหลืองเอาไปกินเอาไปใช้เท่านั้นเองว่าเ น, นี้ยถ้าเราเองเราเราเข้าใจแล้วเรารู้เนี่ยหลังๆเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงข่าวพวกนี้มากคนก็อ่านแล้วก็รู้มากขึ้นแต่มันตีกลับเลยคนเลยกลายเป็นทุกวันนี้ คนเลยไม่ศรัทธาเลยอะไรอะไรก็ไม่รู้หละพระดีพระไม่ดีหรือยังไงไม่ศรัทธานันนั้นคนทุกวันนี้เลยไม่ค่อยทำบุญบางทีนั่งรถเมย์ไปไหนหรือว่านั่งรถธรรมดาเนี่แหละไปไหนบางครั้งก็เห็นพวกขอทานแล้วเขามาขออะไรเงี้ยหรือบางทีบินธบาตเดินผ่านจะสังเกตดูว่าทุกวันนี้ส่วนใหญ่คนที่จะให้ทานเนี่ยนะเท่าที่เท่าที่อาตมาเห็นนะ ผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่ที่อะไรอะ่ะดูแล้วเหมือนกับโบราณโบราณหน่อยเอออาจจะแก่ๆหน่อยอะไรหน่อยอยังยังรู้สึกยังให้ดีพวกหนุ่ม ส, สาวพวกอะไรเนี่ยยากยากมากๆไม่ค่อยมีเลยจริงๆแล้วเผลอเนี่ยไม่เพียงแต่ไอ้ น, นั่นนะคือเวลาเดินผ่านอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราอาจจะมาสังเกตดูอ่ะคือคือเหมือนกับอะไรอะ่ะ เหมือนกับหมาตัวนึงอ่ะเหมือนกับเดินผ่านไอ้ที่มันไม่ได้เป็นคนอ่ะดูแล้วเหมือนกับไม่ได้มีชีวิตไม่มีอะไรอ่ะคือคือคือแทนที่จะรู้สึกเออบางทีก็แหม่แม้ว่าจะไม่ให้เขานะแต่อย่างน้อยก็บางทีเออก็รู้สึกเห็นใจหรือว่ารู้สึกสงสารกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดินผ่านกันแบบคชนี้ที่เรียกว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแข็งเลยจิตใจ คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่แข็งกระด้างกระด้างต่อความเมตตาเนะพราะอะไรเ่เพราะข่าวต่างๆเพราะอะไรต่างๆแง่ลบมันมากเนี่ยมันมากจนกระทั่งทำให้คนเนี่ยก็เลยคือคนเราบางทีมันไม่ไ ม, ไม่ไปคิดอะไรมากมายพอมันฟังกระแสมาบนี้มันก็เอาแหละโอ้พวกนี้มาหากินพวกนี้บางทีมันพวกโจรพวกเอารัดเอาเปรียบสังคมพวกอะไรต่ออะไร คิดอย่างนี้นันก็เลยตัดรอบหมดเลยทั้งๆที่บางทีบางคนมันก็จนแต้มจริงๆลําบากจริงๆยากจนเข็นใจจริงๆนะโง่ไม่ฉลาดไม่ทันสภาพสังคมไม่ทันเกมคนอื่นเขาบางทีก็โดนหลอกลวงบัง่งบางทีก็ไปทํางานแล้วก็โดนเขาแกล้งโดนเขาโกงมัง่งนะหรือบางทีจากต่างจังหวัดมาทํางานอยู่ในเมือง หรือว่าในกรุงเทพหมดเงินหมดทองแล้วก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครที่ไหนบางทีก็ไปอยู่ตามใต้สะพานบ้างแล้วก็อะไรไงตามป้ายสะพานตามป้ายรถเมล์ที่มันมีที่ให้นอนได้หรือตามสวนตามอะไรนู่อซึ่งจริงๆอ่ะบางทีมันมีได้มันเป็นได้นะว่าบางคนเขาก็ ไม่ได้ไปแกล้งหรือว่าไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้อะไรแต่ว่ามันไม่มีปัญญาพอที่จะรู้จักอะไรอะ่ะทำมาหากินแบบแบบแบบอะไรอะ่ะไปทำงานหรือไปรับจ้างหรือไปอะไรบางทีมันไม่มันโง่อพูดง่ายามันโง่ไม่ฉลาดจริงๆไม่มีพักพวกไม่มีเพื่อนพ้องไม่มีอะไรในที่สุดก็เลยมาขอทาน นะพราจริงๆเนี่ยพวกนี้มันก็มีอยู่ด้วยเพราะถ้าพวกเราเองเนี่ยเราไม่รู้จักแยกแยะบ้างไม่รู้จักที่จะพิจารณาให้ดีเพราะบางครั้งไปไ ป, ไปม า, มาเราก็กลายเป็นคนกระด้างไปด้วยถ้าเราไม่รู้จักพิจารณาเพราะบางทีมันก็ต้องดูเหมือนกันไม่อย่างนั้นเลยเออะแล้วก็เหมาเข่งไปมลรวมหมดเลยนะพวกขอทานก็กลายไปพวกเร็วทั้งหมดนะเดี๋ย ว, วก็เราเหมาถ้าถ้าเป็นพวกพระทั่วๆไป ตอนนี่ยเขาลงข่าวมาใช่ไหมพอมาบวชแล้วก็มาหากินเดี๋ยวเราก็เมาไปหมดอีกแกเพราะมีจํานวนไม่น้อยเลยนะที่บางทีฟังข่าวอะไรมาปัาบ๊บทันทีเลยเหมาเหมาเมาอยู่เลยพวกนี้รับเหมาพวกบริษัทรับเหมานะฟังอะไรมาก็เมาเข่งไปหมดเลยพอเวลาไอ้พวกทักเรียนช่างโกนมันตีกันก็เมาเข่งช่างกลมันหมดเลยที่ไหนช่างโกนกัางทีนั่นก็ซวยไปหมดเลย สวยไปทั้งแถบเลยอ่าเนี่ยเยพวกประเภทแบบว่าได้รับข่าวสารได้รับอะไรมาแล้วคือบางทีเราไม่ค่อยจะแยกแยะไอ้ที่ดีเขาก็มีไอ้ที่ไม่ดีก็มีนะถ้าใครรู้จักแยกแยะเนีย่ยมันก็ไม่ไปไปหวาดระแวงหรือว่าไม่ไปกลัวซะทั้งหมดมันก็จะรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาว่าเออไ อ, อ, อ, อ้อันนี้อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอออันนี้ใช้ได้พอช่วยเหลือได้ก็ช่วย สวไอ้พวกนั้นโอ้โหต้องระวังไอ้พวกนั้นมันเลวมันร้ายจริงๆนะเพราะฉะนั้นไม่เข้าใกล้มันดีกว่าอย่าเจออย่าเจอกันได้ยิ่งดีอย่างเงี้ยจะฉลาดเน่ยก็ระวังวัน เ, เนี่ยส่วนนางจันทานี่ปรากฏว่าก็โชคดีนะได้มาเจอเราภิกษุณีก็เลยต่หลังก็เลยขอบวชหลังจากที่ได้บวชแล้วภิกษุณีจันทานได้ประพฤติธรรม อยู่ในโอวาทของพระเถรีอย่างเคร่งครัด บ, บากบั่นในวิปัสนาและภาวนาอ ย, อยู่สม่ำเสมอหมายถึงว่าพอบวชแล้วเนี่ยก็ตั้งจิตตั้งใจนะพยายามในการวิปัสนาหมายถึงอะไรวิปัสนาไหนใครให้ให้นิยามที่ฟังเข้าใจง่า ย, ายๆวิปัสนา เป็นการปฏิบัติตนให้พ้นจากการติดยึดคลุมครอบคุมได้ดีมากเลยแต่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจวิปัสนาจะต้องมีคำหนึ่งมาก่อนวิปัสนาที่เกี่ยวกับอะไรอ่าเพราะนั้นเราจะต้องจำไว้ถ้าวิปัสนาเนี่ยจะต้องมีอะไรนำมาก่อนแล้ว การคิดการพิจารณาการใช้ปัญญ า, ย อ, าอยู่ดีเราขึ้นมาเนี่ยการปฏิบัติโอ้โหมันคุมกว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นการคิดเป็นการพิจารณาอะไรพิจารณาอะไรการปฏิบั ต, ปบติปฏิบัติอะไร <c oughs> เกิดมีใครมาที่ที่พุทธสถานเราเนี่ยแล้วเขาบอกเอฟฟังฟังเนี่ยเขาพูดกับว่าวิปาาัสนาวิปัสนาเนี่ยช่วยบอกหน่อยเหรอว่ว่าว่ า, ว า, ว า, วามันยังไง ไ, งไอวิปัสนาเนี่ยเ็าจะตอบเขายังไง <c oughs> จะตอบยังไงที่ไม่ต้องยาวเอาสั้นๆแล้วก็คนฟังแล้วก็อ๋ออย่างงี้เหรอเขาเรียกว่าวิปาาัสนาอ้อาว แ, แล้วกี้เอานึก รอบทวนหรือคิดพิจารณาอะไรอ่ ะ, อ ะ, ะพิจารณาอะไรนะสิ่งที่เรากระท ำ, ททำว่าอะไรเป็นบุญหรือเป็นบาปในแต่ละวันเออพอพอพอเข้าใจได้ละพอจะเข้าใจได้ใครมีอะไรดีกว่านี้อีกอการทำจิตให้ส ง, งบ คิดทุกเรื่องฟุ<ตร>งซ่านใชอเปล่าคิดทุกเรื่องเลยถูกแล้วไอ้จริงๆริมันต้องคิดทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญที่อาตมาเนี่ยพยายามจะให้พวกเราจับประเด็นและเวลาพอพูดให้คนอื่นฟังนี่นะนะ ถ้าไอประเด็นพวกนี้มันอยู่แล้วเรก็ยังไงเราพูดไปก็จะไม่ผิดพลาดนะหนึ่งคือบอกแล้วการพิจารณานะวิปัสนาที่ต้องใช้ปัญญาเป็นเป็นในเชิงของสายปัญญาวิปัสนาเนี่ยวันจะต้องใช้สติปัญญาของเราเนี่ยคิดหรือว่าพิจารณานี่คือเป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองคือพิจารณาอะไรอ่า เมื่อกี้บอกว่าการกระทําทุกอย่างใช่ไหมคิดคิดการกระทําทุกอย่างการกระทํามีอะไรบ้างอ่ะที่ที่จะพูดแล้วมันจะรวมได้อ่าสมมติกรรมสามนะเพราะฉะนั้นอาจดูแล้นะพิจารณากรรมสามนะจะไม่ว่าจะเป็นกายกรรมไม่ว่าจะเป็นวัญญกรรมไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมแล้วคราวนี้ในสามอย่างเนี้พิจารณากรรมสามเนี่ยพิจารณาอะไรในกรรมสาม คำว่าบุญหรือบาปเนี่ยแหมมันก็กว้างอยู่นะ ก, ก็ถูกนะคําว่าบุญหรือว่าบาปแต่เอาง่ายๆอย่างที่ที่พวกเราฟังแล้วเอออ่าพิยานาว่าปิดศีลไหมอันนี้เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มฟังง่ายขึ้นคือคือมันมีรูปร่างอะไรที่ทําให้เออคนฟังนะเออเออชักชักเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วยาอย่างเช่นเอาศีลเข้ามาจับในกรรมสามเราว่าอันอันไหนทําแล้ว ปิศีลไหมเริ่มมองเห็นเป็นรูปธรรมหรือถ้าเราจะใช้คําว่ากิเลสนะก็เนี่ยพิจารณาจับกรรมสามของเรานะให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรามีกิเลสหรือเปล่าหรือว่าไม่มีกิเลสนะก็ได้แล้วถ้ามีแล้วคราวนี้เป็นไงอ๋อพอจับได้แล้วอ่จับได้แล้วก็ต้องโลดก็ต้องละต้องล้างหากรรมวิธีที่จะทําให้มันเนี่ยกิเลสพวกเนี้ยมันลดลงไปหรือมันหมดลงไป ถ้าเป็นบุญเป็นบาปก็คือถ้าเราพิจารณาเห็นแล้วว่านี่เป็นบาปเป็นบาปเราก็พยายามไม่ทำแต่ถ้าอันนี้เป็นบุญเราพิจารณาแล้วเราก็ยิ่งทำให้มากขึ้นเนี่ยอันนี้ถึงจะตอบเขาแล้วให้เขาพอจะเข้าใจได้นี่คือวิปัสสนาเพราะนั้นออตอนนี้พระจันทาภิกษุณีนะก็ บำเพ็ญเพียรพยายามบากบัน่นในการวิปัสสนาแล้วก็ภาวนาภาวนาพอท่านแปลให้พวกเราฟังบ่อยๆภาวนาคือคือฝึกทําอะไรภาวนาอะภาวนาเนี่ยฝึกวิปัสสนาแล้วก็ฝึกภาวนาพอท่านถือว่าภาวนาเนี่ยหมายถึงว่าอย่างเช่นเราวิปัสสนาไปแล้วเนี่ยเราวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นการใช้ปัญญาใช่ไหมใช้ความคิด นะถ้าถ้าใช้เฉพาะแก้ความคิดเราก็แล้วไปแต่บางทีเนี่ยแม้แต่ใช้แก้ความคิดเราก็ตามคือคือใช้ความคิดมาแก้ความคิดของเราเนี่ยนะความคิดที่เป็นสัมมาความคิดที่ถูกต้องมาแก้ความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิของเราแต่บางที โ, โหคุณเก่งั้ยคุณทำทีเดียวก็ได้ผลเลยไม่ได้บางครั้งเราไม่เก่งขนาดนั้นบางทีเลยต้องทาบ่อย ต้องทำให้มากๆนี่แหละคือภาวนาภาวนาคือทําให้มันเกิดผลมากๆมา ก, มากพอหรือว่ามากจนกระทั่งถึงจุดที่นิพพานหรือว่ากิเลสเราหมดเกลี้ยงไปได้นี่คือความหมายที่พ่อท่านเนี่ยให้กับพวกเรามา <c oughs> หมายถึงว่าทําให้มากๆกอ่าก็เหมือนกับคล้ายกับพระภูรีกำมังแต่อันนี้ ไม่ใช่แค่ทํา เ, เฉยๆก้มหน้าก้มตาทําตะบี้ตะ บ, บันทาทําในที่นี้หมายถึงว่าทําให้เกิดผลด้วยนะไม่ใช่ทําแล้วไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดผลสําเร็จไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะฉะนนั้ภาวนาเนี่ยเป็นตัวผลสุดท้ายที่เรียกว่าทําแล้วอืได้ผลจริงๆเพราะบางคนเนี่ยกําลังสู้กําลังพยายามทําอยู่ก็จริงแค่พาหุรีกำมังก็คื อ, คอพยายามทําพยายามทํา แต่มันยังไม่เกิดผลที่จะทําให้ให้รู้สึกแหมมีปิติมีสุขมีความโอ้โหภูมิใจในในสิ่งที่เราทํานั้นน่นะบางทีมันยังโอ้ยมันยังอ่อนมันยังเบามันยังบางเหลือเกินเพอเพอทําไปแล้วร่มแผลทํำไปแล้วร่มแผลบางคนทําแล้วนี่น้อยอกน้อยใจทํายิ่งทําก็ยิ่งเสียใจออย่างนี้มันไม่มไม่ไหวแล้วมันไม่เกิดผลทางทางจิตปิญญาณแล้ว คนนี้ยิ่งทํายิ่งท้ออันนั้นอันนั้นมันเป็นอ ะ, อะไรนะบุญกิริยาวัตถุสามใช่ไหมจริงๆพระเจ้าท่านมีแค่สามนะไอๆสิบนั่นมันเขามาเพิ่มเขามาอะไรกันมีอะไรบ้างทานศีล แล้วก็ภาวนายิ่งพระเจ้าท่านให้สามตัวนี้พวันทานต้องมีของมันอยู่แล้วดูนะแต่นี้ทานโดยยังไงทานต้องให้ถูกศีลเพราะบางคนให้ให้ให้ใ ห, ให้ไปบอกแล้วให้ให้ไปคุณให้โจรคุณให้อะไรเรล้าย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆก็ได้เพราะฉะนั้นนี่อธมา ก, กําลังจะพยายามพูดให้เป็นตัวเดียวกันเลยนะเพราะในขณะที่คุณให้ทานเนี่ยคุณต้องถูกศีลด้วยแล้วในขณะที่คุณถูกศีลเนี่ยนะ คุณยิ่งให้ไปใช่ไหมคุณยิ่งให้ไปยิ่งให้อย่างถูกต้องยิ่งให้อย่างถูกต้องก็จะยิ่งเกิดผลเป็นบุญบรารมีสะสมให้เราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแหละสามตัวเนี่ยมันจะเกี่ยวร้อยมันจะสัมพันธ์กันฮวันท่าคุณมีตัวใจตัวหนึ่งคุณมีทานนะคุณให้ให้ให้แต่คุณตะบี้ตาบันให้นะไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมนะเอาสมมุติคุณให้ไก่กินให้เลี้ยง เป็ดเลี้ยงไก่ให้อาหารสุนัขคุณก็ให้ด่าหมดแล้วนะสุนัขบ้าสุนัขดีอะไรกูก็ให้หมดแหละเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคุณก็เลี้ยงทั้งดีเลี้ยงทั้งเลวร้ายเอาไว้ด้วยเพราะนนเนี่ยเนถ้าสมมติว่าเราให้โดยที่คิดแต่ให้อย่างเดียวไม่คํานึงอย่างอื่นแล้วแล้วก็คิดแบบตื้นตื้นวว่าเราให้ไปเราก็ต้องได้บุญเพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะคุณให้ในสิ่งไม่เหมาะควร คุณให้ในสิ่งไม่ถูกต้องคุณเป็นบาปก็ได้นะคุณไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่ได้บุญนั้นยังได้บาปอีกด้วยวันเยอะแยะไปที่บางทีใจดีโอ้โหเอาไปให้นะอย่างเช่นเอาเลยวันนี้แจกเล่าหรือว่าวันนี้เลี้ยงนะข่าวบัวข่าหมูค่าเป็ดไก่อะไรเอาเลี้ยงนะทำทานโอ้โหแต่ บาปอะได้บาปเข้าไปด้วยค่าสัตว์ตัดชีวิตอื่นเข้ามาเนี่ยเห้นไห ม, มเลยต้องมีศีลประกอบอยู่ในการให้ทานแต่ถ้าใครเนี่ยแม้ปีนึงให้ครัง้งหนึ่งเดือนนึงให้นิดหนึ่งมันน้อยเกินไปอะในขณะที่อะไรอ๋อเทียบวันเดียวกันวันเดียววันหนึ่งเนี่ยคุณให้คนอื่นเข้าออกไปเนี่ยนะให้ทานออกไป คุลยไปสํารวจดูในแต่ละวันเนี่ยวันหนึ่งเดี๋ยวให้ออกไปถือว่าให้ไปบาทเดียวสมมุตินะสมมติให้ไปบาทเดียวแต่จริงๆที่เอาบางทีเนี่ยรับจากคนอื่นหรือเอาเอาเปรียบคนอื่นเข้ามาโอ้โหหบาทอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าทําทานมากก็บ้าเนี่ยไม่ไช่มากเลยกูยังขาดทุนอีก4บาทด้วยซ้ําไป เพราะนั้นถ้าเรามารู้จักคิดมารู้จักยากๆยกเงี้ยเราคิด่โอ้นี่เรายังทําไม่มากพอคุณยังภาวนาน้อยไปเรายังไม่มากพอหรอกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยบางทีให้คนอื่นเข้าไปนะนานๆให้ทีนะช่วยคนอื่นเข้าไปช่วยแรงกายก็ได้เอาช่วยเข้าไปนิดช่วยเข้าไปหน่อยโอ้โหจํานะวันเนี้ยเนี่ยวันนั้นวัน น, น, น, น, น, น, นี้ฉันช่วยคนนั้นคนนี้ช่วยไปเท่านี้เท่านี้ แต่ไอที่บางทีเนี่ยนะไปเอาของก็อื่นมานะไม่จำหรอกเพราะจะได้ไม่ต้องคืนไอที่ไม่จำเโอ้บางทีไปเอาของก็อื่นก็มามากกว่าอีกเพราะฉะนั้นบางทีนี่นะทำน้อยมากเลยอันตราถึงบอกจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยคุณลองไปเปรียบคุณลองไปนึกดูดีๆนะโอ้โหเนี่ยทานศีลภาวนาอะไรต่างๆแค่สามข้อนี้เท่านั้นแหละ เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหเรายังทาดีน้อยมากเลยทำดีในแต่ละวันนี้ยังน้อยมากเลยบางทียังไม่เทียบเท่ากับนี่เวนนี่กรรมที่เราไปทำมาไว้ตั้งกี่ร้อยวันพันปีอะ่ะตั้งเยอะตั้งแย่นะเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็ถ้าไม่คิดก็ไม่นึกถึงจริงๆแต่พอมาคิดมา น, นึกถึงแล้วเออจริงๆเลย ส่วนใหญ่เราทำไม่ดีมากกว่าดีอยยิ่งไปคิดเถอะคุณยิ่งไปคิดไปพิจารณาคุณจะยิ่งเห็นเลยว่าวันเวลาของชีวิตเราเนี่ยเหลือน้อยมากเลยเหลือสั้นมากก็ถึงบอกว่าไม่เพียงพอกับการที่จะทำความดีชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยไม่เพียงพอกับการที่เราจะทำดีให้มากพอจนกระทั่งจะมาล้างนี่เวรนี่กรรมเราไปได้เพราะเล็กี้อาตมาบอกตอนตอน้ต น, ตนแล้ว ผู้เจ้านี่ก็ใช้นี่เวีนี่กรรมไม่หมดนะพระพุทธเจ้าใช้ไม่หมดนะเพราะฉะนั้นมีทางออกของศาสนาพุทธหรือว่าของ อ, อผู้เจ้าที่ค้นพบมาเนี่ยถึงได้ใช้การนิพพานี่เป็นทางออกเพราะใช้ยังไงคุณใช้ไม่หมดอยู่แล้วอ่ะอใช่อ่าถ้าจะไม่บังเกิดอีกนะ จริงๆนิพพานเนี่ยคือยังไม่ตายเนี่ยถ้าคุณยังไม่ตายเนี่ยนะคุณยังมีชีวิตอยู่นะคุณก็ยังต้องใช้นี่อยู่เลยถ้าคุณคุณแค่นิพพานแล้วยังมีชีวิตอยู่คุณยังต้องใช้นี่อยู่เลยอย่างเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยบาง <c oughs> ทีก็ยังต้องเจ็บป่วยยัง <c oughs> ต้ง <c oughs> ปวดหัวตัวร้อนยังต้องเจอแล้วท่านก็เล่าให้ฟังอ่ะว่าเนี่ยอวิบากเราเราเคยไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เราเลยต้องมาเป็นอย่างนี้ขนาดเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะคุณคิดดูสิ ก็ยังต้องใช้นี่เวนิกรรมเลยแล้วก็ยังไม่หมดด้วยต่อเมื่อเพราะฉะนั้นมีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นแหละที่ใช้วิธีการของถ้าจบชาตินั้นแล้วเนี่ยไม่ยอมมาเกิดอีกอะ่ะคือปาริณิพานไม่มาเกิดอีกมีทางเดียวเทา น, นัที่คุณจะตัดกรรมหรือคุณจะหนีพ้นเวรกรรมแล้วบอกกันนะมันไม่ใช่ว่ามันหมดนะมันก็ตามไล่ล่าแล้วอยู่แต่มันตามไม่เจอ เหมือนกับใครนะที่เคาะหัวกะโหลกอะเออวังคีสะที่มีวิชาแบบของพรามณ์สามารถจะเคาะกะโหลกแล้วรู้เลยว่ากะโหลกเนี่ยนะอมีภูมิธรรมหรือว่าจีบิญญาณไปที่ไหนรู้ได้เลยพระเจ้าก็เลยเอากะโหลกเอามาเรียงให้เคาะเลยก็เคาะดุนเคาะนี่รู้หมดแล้วนะบอกได้ถูกพระเจ้าเลยเอาหัวกะโหลกพระอรหันต์มาเอาให้เคาะดูซิ ว่าไปที่ไหนวิญญาณอยู่ที่ไหนเคาะเท่าไหร่ยังไงขันแหะหาไม่เจอไม่รู้ว่าไปที่ไหนละยอมแพ้เลยเลยแบบขอบวชกับภูมิเจ้าเลยเนีพุทธเจ้าบอกเรารู้อ่ะโออยากเรียนเลยนะเพราะว่าเขาก็มาเขาแน่แล้วอ่ ะ, อะเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ย นะถ้าพวกเราเองพยายามเข้าใจเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากแล้วเราพยายามทบทวนพิจารณาเรื่องของวิบา ik, กกรรมพวกนี้เอาไว้นะแล้วเรารู้วิธีที่จะพ้นไปได้ <cinco> เพราะฉะนั้นคุณไม่อยากจะมาเจอทุกข์อีกคุณไม่อยากที่จะต้องมาทรมานอะไรอีกเพราะว่าชาติบอกแล้วนะชาติไหนเราไม่รู้นะว่าจะต้องซวยๆเจอวิบากหนักอะไรชาติไหนคุณไม่ต้องมาทรมานอะไรอีกคุณต้องทําบารมีพานให้ได้ คุณถึงจะพ้นทุกข์ได้จริงๆถ้าตายใดคุณไม่ไม่ยังกลับมาเกิดอีกเนี่ยคุณก็ต้องเจออีกไม่นั้นถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ปฏิทิพานะยังมาเกิดอีกจะรออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันอะไรก็แล้วแต่มันเกิดอีกเมื่อไหร่นี่ทันทีเลยวิบากที่มีอยู่ก็ตามเล่นงานทันทีเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมพุทเจ้าท่านยืนยันอันนี้ไว้เลย แล้วก็เหมือนกับอะไรเหมือนเงาที่ติดตามตัวถ้ามีตัวเมื่อไหร่มีเงาตามเมื่อ น, นั้นเพราะฉะนั้นจะไม่ให้เงาตามได้อย่ามีตัวอย่ามีตัวตนเพราะถ้าเลิกตัวตนได้เมื่อไหร่คนนั้นก็เป็นมนุษย์ไรเงา <c oughs> เป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องมีเงามาคอยตามตัวแล้วนะตามติดเราเนี่ยไม่มีแล้วหมดจบเมื่อ น, นั้นอนเสร็จแล้วตอนนี้ก็ กลับเข้ามาเรื่องเดิมนะพิสุณีจันทานี่ก็เลยโอ้โหบําเพ็ญใหญ่วิปัสนาภาวนาสม่ําเสมอเลยไม่นานนักก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นผู้บําเพ็ญบารมีไว้แล้วตั้งแต่ในอดีตดูนะ่าแสดงว่าจริงๆต้องบําเพ็ญบารมีไว้แล้วนะเยอะแ ย, ยะมากมายแล้วกว่าจะมาเป็นพระอาหารหันต์ได้ในชาตินี้โอ้โหคุณว่าต้องบําเพ็ญขนาดไหนอ่ะ กว่าจะมาถึงเป็นอาหารในชาตินี้ในที่นี้มีใครไหมคิดว่าชาตินี้นี่มีหวังเป็นพระลหันนะโอ้แม้ขนาดโสดาอย่างจะเอาโสดาให้น้อยอีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วคุณคิดดูสินี่ขนาดสั่งสมมาขนาดนี้นะว่าชาตินี้จะได้เป็นพระละหันนะแต่โหต้องมายากจนค้นแค้นจนมาเที่ยวขอทานเ้ากินเนี่ยคุณคิดดูสิ ว่าบิบากอะไรามาตามเล่นงานขนาด น, นี้นะ ถ, ถึงบอกว่าโอ้โหอย่าหลงนะหลายคนยังหลงเข้าใจผิดมากเลยว่าแม้ชาตินี้นี่โอ้เราทําบุญเราทําดีบางคนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ได้ทําเสียหายอะไรเลยนะก็คิดว่าโอ้เราโกงเดี๋ยวชาติต่อ ต, อตอไปอะไรถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันตะ์ชาติต่อ ต, อตอไปเราก็ต้องได้ดิบได้ดีไปแน่แน่นอ น, นอนระ ว, วังเถอะคุณจะนอนเลยละ่ะ <c oughs> เออ ม, มันไม่ใช่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเลยนะอันนี้เมื่อบรรุธรรมแล้วพระจันทาเถรีได้กล่าวอุทานเป็นคาถาธรรมออกมาว่าแต่ก่อนเราเป็นคนยากจนเป็นหญิงไม้อ้อแสดงว่าแต่งงานแล้วนะแต่ว่าไม่มีบุตรไม่มีญาติมิตรใดๆเลยอดยาขาดแคลนอาหารและผ้านุ่งห่มต้องถือชามดินสกปรกและไม้เท้าเที่ยวขออาหารเขากินทั่วไป ทูความหิวความหนาวความร้อนเบียดเบียนให้ทรมานอยู่ตลอดถึง7ปีโอแสดงว่าต้องมาขอทานเขา7ป็ปีนั่นเนี่ยลำบากอยู่7ปีโอไม่ง่ายเหมือนกันนะคิดดูอยู่ในสภาพขอทานถึง7ปีบางคนเนี่ยให้ไปเรียนหนังสือไม่ถึง7ปีด ป, ปียซ้ำไปยังเบื่อเลย นี่ต้องเป็นขอทานต้องอะไรอ่ะอดสูนะโดยเขาดูหมิน่นโดยเขาบางทีมองด้วยสายตาเยียดหยมเออบางคนไปบางที่เขาด่าว่าอยู่ซ้ำไปนนเจ็ดปีอ่ะไม่ใช่เจอแค่ความหิวความร้อนอะไรเท่านั้นภายหลังเมื่อเราได้พบกับพระปตจราภิกษณุณีมีข้าวและน้ำบำรุงรักษาร่างกายเป็นปกติท่านช่วยเหลือให้เราได้บวชเป็นภิกษุณี ท่านกลาวทมสอนเราแนะนำให้กระทำในข้อประพฤติปฏิบัติอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราทำตามคำสอนนั้นโอวาทของท่านไม่เป็นโมฆะคือไม่สูญเปล่าเพราะเราได้บรรลุวิชาสาเป็นผู้ไม่มีอาสวะทั้งปวงได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นแค่ประกาศให้รู้ท่านเองว่าว่านในที่สุดก็สามารถบรรลุทำได้ จากเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าหนึ่งาดูมินขอทานนะขอทานอาจจะเป็นพระอรหันต์ได้เรื่องนี้เอาจงจริงไปพยายามเตือนเตือนใจเราไว้ไม่อย่างนั้นนะบางทีคุณดูมินจริงๆทั้งดูมินทั้งรังเกียจที่ทั้งเหยียดหยามเพราะฉะนั้นนึกถึงเรื่องนี้มันจะทำให้จิตที่เราไปมีความรู้สึกพวกนี้มันจะได้ลดลงเราจะได้ไม่ประมาท เพราะอันนี้เป็นกรรมสามของเราแล้วนะตอนนี้มนโนกรรมมันทํางานแล้วนะอ่าพอรู้เราจะได้โอ้โหไม่ได้แฮดูหมิ่นไม่ได้นะเห็นเขาอย่างนี้อย่างงี้โอ้บางทีเขาอาจจะบรรลุทําได้จิตเราจะได้เป็นเมตตาเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นม า, นาสองก็คืออาร์ดกี้เรื่องอย่าดูหบิ่นขอทานแล้วสองก็คือจากเรื่องเนี้ยฟังแล้วได้อะไรบ้าง นะไม่ประมาทไม่ประมาทอะไรอ่ะไม่ประมาทเรื่องของการให้ทานนะไม่ประมาทเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญบา ร, รมีของเราอย่าช้าใครช้าอาจจะต้องไปเป็นขอทานอ่ะวันนี้ของพอท่นนี้นะ